งนเดี๋ยวเตรียมเตรียมตอบนะมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจะถามคำถามจะถามเพื่อทดสอบว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุตินะสมมุติว่าเอาใครดีชื่อใครดีชื่อบุคคลนั้ยนยากเพราะว่าจะมีคนดีกับคนไม่ดีอยู่2คนเอาเป็นชื่อสมมุติแบบไม่มีตัวตนก็นแล้วกันนะ สมมติว่าในกอเป็นคนมีศีลทําไมต้องเป็นในกอเพราะมันพ้องกับชื่ออาตมา <laughs> ในกอเป็นคนมีศีลในขอเอาขอขวดด้วยขอขวดนี่มักจะไม่มีใครใช่ไหมขอไข่อาจจะมีคนใช่ไหมเอาขอขวดในขอขวดเป็นคนไม่มีศีลนะมีคนสมมติอยู่สองคนนะในกอเป็นคนมีศีล ในขอเป็นคนไม่มีศีลและมีเหตุการณ์2 อ, อเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกคือในกอให้ของกับในขอเหตุการณ์ที่2องในขอให้ของกับในกอ่อของเหมือนกันเป๊ะราคาเท่ากันเป๊ะความแตกต่างมีอยู่แค่ในกอมีศีลในขอไม่มีศีล ถามว่าที่ในกอให้ของกับในขอกับในขอให้ของกับในกอใครได้บุญมากกว่ากันตอบได้ไหมอ้ามีช้อยให้มีช้อยให้เราชอบคาถามคาตอบแบบกอขอขอขอข้อกอในกอได้บุญมากกว่าข้อขอในขอได้บุญมากกว่า ข้อคอได้บุญเท่ากันข้ององงใครตอบข้อกอยกมือไม่มีเลยเหรอทางนู้นก็ตอบได้นะใครตอบขอ้อขอว่าในขอได้บุญมากกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทางนู้นก็ตอบได้นะ ใครตอบข้อคอได้บุญเท่ากันเยอะกว่าเนาะใครตอบก็งองงไอ้ที่มายกมือคืออะไรอ้าวยังไม่เฉลยนะเดีย๋ยวอธิบายไปเรื่อยๆแล้วคำตอบจะเกิดขึ้นเองบุญมีกี่อย่างวิธีทำบุญมีกี่อย่างแบ่งใหญ่ๆได้สามอย่างนะ มีอะไรบ้างให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่เราตอบว่าเมื่อกี้ในกอได้บุญมากนะไม่มีเลยเหรอไม่มีใครเห็นว่าในกอให้กับในขอแนะ่มีบุญมากใช่ไหมเราเห็นว่าในขอให้กับในกอได้บุญมากมีคนเห็นอย่างนี้บางคนก็เห็นว่าได้บุญเท่ากันบางคนยังงงอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวอธิบายไปเรื่อยๆนะบุญมีสามแบบ ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทานเนี่ยอันนิสงจะมากเมื่อตอนที่มีองค์ประกอบนะองค์ประกอบของการให้ทานจะให้การให้ทานนั้นได้ผลมากมีอันนิสงมากเ น, นี่ยองค์ประกอบมันเยอะมากเลยผู้ให้ควรจะบริสุทธ์นะของที่ใหกก้ก็ต้องบริสุทธิ์ผู้รับผู้รับก็ต้องบริสุทธิ์ด้วย ส, ม, สมอย่างนะก่อนให้ ใจก็ต้องเบิกบานขณะให้ใจก็เบิกบานให้แล้วนึกก็เบิกบานไม่ใช่นึกแล้วเสดาย mm hmm. ไอตอนที่ก่อนให้ขณะให้หลังให้เนี่ยทั้งในกรในขอมีเหมือนกันเล mm hmm. มันจะแตกต่างถึงว่าผู้ให้กับผู้รับ mm hmm. ผู้ให้ถ้ามีศีลบริสุทธิ์ผู้รับมีศีลบริสุทธิ mm hmm. อาา์อาการอาการ ถ้าให้กับคนที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยอนินสงส์จะมากให้กับสัตว์ให้กับสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะก็มีอนินสงส์ประมาณหนึ่งให้กับสัตว์ใหญ่หก็มีอยู Umwelt, ่อนิสงส์มากกว่าให้กับสัตว์ที่มีคุณกับเราก็มีผลมากกว่าให้กับคนมีผลมากกว่าให้กับสัตว์ให้กับสัตว์ร้อยตัวยังไม่เท่าคนคนหนึ่งนะให้กับคนที่ไม่มีศีลร้รอยคนไม่เท่ากับให้คนที่มีศีลคนเดียว ให้คนที่มีศีลร้อยคนก็ไม่เท่ากับให้กับคนที่มีสมาธิและมีศีลด้วยคนเดียวให้กับคนที่มีศีลมีสมาธิร้อยคนก็ไม่เท่ากับคนที่มีศีลและมีปัญญาสมาธิเล็กน้อยก็ได้ไม่เป็นไรไม่เท่ากันนะคนมีปัญญาหมายถึงว่าพระโสดาบันให้กับพระโสดาบันคนหนึ่งนะ <laughs> มากกว่าให้คนบุตชนร้อยคน <laughs> ให้กับพระโสดาบันร้อยท่านร้อยครั้ง ก็ไม่เท่ากับให้พระสกิตาคาเพียงองค์เดียวให้กับพระสกิตาคาร้อยองก็ไม่เท่ากับให้พระอนาคาองค์เดียวให้กับพระอนาคาร้อยร้อยองก็ไม่เท่ากับให้กับพระอาหารองค์เดียวนั่นเป็นลําดับไปนะให้กับพระอาหานทร้อยองก็ไม่เท่ากับถวายเป็นสังฆทานสังฆทานไม่ใช่เอากระป๋องไปให้พระนะสังฆทานคือให้ไม่เจาะจงองคไหนให้เป็นส่วนรวม นึกถึงสังฆทานนึกถึงอะไรกระป๋องเหลืองเหลืองนะไม่ใช่นะกระป๋องเหลืองเลาไปให้เจาะจงองค์ก็ไม่ใช่สังฆทานนะสังฆทานคือให้ไม่เจาะจงองค์สังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็ยิ่งมีอนิสงส์มากกว่ากับการให้สังฆทานโดยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอ่ะใครจะมีการเปลี่ยนคําตอบไหมอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย เปลนคำตอบไหมใครว่าข้อในกอได้ไดบุญมากกว่าใครว่าในขอได้บุญมากกว่าใครว่าได้บุญเท่ากันใครยังงงอยู่ยังไม่บอกว่าใครถูกนะแต่บุญเนี่ยไม่ได้มีแค่การให้บุญมีทั้งให้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาท่านบอกว่าให้ทาน แบบให้สังฆทานเนี่ยนะถวายเป็นสังฆทานเนี่ยยังไม่เท่ากับการรักษาศีลเพียงครั้งเดียว mm hmm. ตัวเองรักษาศีลเนี่ยไม่ใช่ชี้ไปว่าคุณรักษาศีลศีลแล้วฉันจะให้เธอ mm hmm. ไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันนะ่ยรักษาศีลแล้วฉันจะได้บุญเลยเรารักษาศีลแล้วเราได้บุญเลย <Yeah. S 1> เพราะนั้นคนที่รักษาศีลแล้วให้ทานได้บุญมากกว่าเพราะมี มีศีลเป็นทุนอยู่แล้วแล้วให้ทานเนื้อนาบุญอันนั้นอาจจะเป็นนาบุญที่เลวสัหน่อยคือไม่มีศีลแต่ตัวเองนนั้นได้บุญเดิมอยู่แล้วมีมากอยู่แล้วเท่ากับให้ทานครั้งนั้นเป็นการเสริมบุญอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่มีศีลไม่มีไม่มีตน้นทุนสักเท่าไหร่เลยแตให้ทานถึงแม้ถึงแม้ว่าจะได้นาบุญที่ดีคือผู้มีศีลแต่บุญนะั้นเป็นบุญระดับทาน บุญนั้นเป็นบุญระดับทานก็ไม่มีอะไรส่งเท่ากับตัวเองถ้าตัวเองมีศีลขึ้นมาอย่างดีสักว่าอย่างนั้นคำตอบควรจะเป็นข้อไหนข้อก่อเพราะในก่อนเนี่ยมีศีลอยู่แล้วมีบุญที่เป็นต้นทุนอยู่แล้วแต่บุญไม่ใช่จะมีแค่ทานกับศีลมีบุญภาวนาด้วยแต่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะพอพูดถึงบุญ มักจะนึกแค่การให้ทานฉันจะไปทำบุญที่ไหนดีก็ ค, คือฉันจะไปหาเนื้อนาบุญที่ไหนดีในการรับของขอ ง, ของฉันในการรับอาหารของฉันเนนะคิดเรื่องแค่ว่าให้ทานในการทำบุญไม่ได้นึกเลยไปถึงการให้มีศีลแล้วพอนึกมีศีลไปนึกถึงเนื้อนาบุญที่ควรจะมีศีลไม่ได้ชี้เข้าหาตัวเองแล้วว่าเราควรจะมีศีล องไหนหน่ามีศีลบริสุทธิ์ฉันจะทําบุญกับองค์นั้นเนี่ยเวลายิ่งพูดถึงภาวนานะองคไหนภาวนาดีฉันจะไปทําบุญกับองค์นั้นไม่เนึนถึงเลยว่าฉันจะภาวนาให้ดี <c oughs> คิดจะทําบุญเรื่องเดียวคือให้ทานแล้วเลือกนาบุญไม่ได้คิดทําตัวเองให้เป็นนาบุญเลยตอนนี้เราควรจะทําตัวเองให้เป็นนาบุญทําตัวเองให้เป็นผู้ที่มีมีศีลแล้วก็มี สมาธิมีสติแล้วมีปัญญานามาฝึกเนี่ยนะฝึกให้เราเป็นนาบุญด้วยนะเป็นนาบุญของลูกเป็นนาบุญของหลานเป็นนาบุญของเพื่อนได้ไหมได้ในกอกับในขออาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะแต่ในกอมีศีลแล้วเนี่ยนะถ้าในกอพัฒนาต่อไปมีภาวนาด้วยเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาด้วยโอ้ในกอยิ่งมีบุญมากเลยในขอให้ให้กับในกอนะในขอก็ได้แค่ให้ทานต่อไปเรื่อย แต่ในกอเนี่ยเป็นนาบุญที่ดีแล้วเขาสะสมบุญทําบุญครบพร้อมพอแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะพาให้เขาพ้นทุกข์ด้วยที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องบุญเนี่ยไม่ได้สอนให้แค่ว่าทําบุญเพื่อให้วนเวียนอยู่ในโลกนะบุญทั้งหลายพอทําแล้วมันพัฒนาไปถึงถึงภาวนาคือให้เกิดปัญญาถ้าจะทําบุญก็ทําให้ครบครบวงจรอย่าทำค้างคาอยู่แก้การให้ใหเฉยๆถ้าให้เฉยๆก็อาจจะเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมให้ จะไปเกิดที่ญี่ปุ่นทำทำให้ครบทำให้พร้อมอย่าติดอยู่แค่เรื่องการให้ทานรักษาศีลด้วยรักษาศีลเราจะไม่เอากายวาจาไปละเมิดใครเราจะไม่ละเมิดคนรักใครเราจะไม่ละเมิดของรักของใครเราจะไม่ไปละเมิดสิทธิในการดำรงชีพของเขาไมไ่ไปละเมิดทำร้ายร่างกายผู้อื่นนี่คือรักษาศีล พัฒนาตัวเองต่อให้ทานก็ให้ได้รักษาศีลก็รักษาด้วยแล้วยังต้องพัฒนาตัวเองต่อคือมาเอากาันบ้านไปทำ <c oughs> เอากาันบ้านไปทำคือความรู้ตัวมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตทีต่ตั้งมัน่นและเป็นกลางนี่คือมาพัฒนาให้มีบุญในครบพร้อมพอเป็นนาบุญของคนอื่นต่อให้ทุกคน เป็นนาบุญของกึอื่นต่อให้ได้นะขอเอ่ยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการสร้างบุญของตัวเองให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาพร้อมพอแล้วก็ช่วยกันเป็นพยานในการตัดสรุปของพระองค์ว่าพระองค์ตัดสรุปจริงสิ่งที่พระองค์สอนสอนคนให้พ้นทุกข์ได้จริงโดนมีเรานี่แหละเป็นพยานนะขออนุมโมทนา